อินเตอร์เทตัวเองด้วยการพผ่อนอาหารอร่อยอะไรเนี่ยก็คนสูญเสียเหล่านี้ไปบ้างด้วยการมาศึกษาอย่างจริงจังในหลักของอย่างวันนี้พ่อจะทำอาจจะต้องทําเป็น powerpoint เนะ่ยเพราะว่าทางศูนย์สองก็เราเทคโนโลยีด้านนี้ยังไม่ค่อยก้าวหน้าได้เลยถามเจ้านี้ก็ยังไม่เหนือไม่ได้ว่าจะทําเรื่องตั้งแต่ว่าเรารู้ที่นิ้นให้เห็นเมื่อกี้ว่า ขณะที่เราเดินเา่ามีความรู้สึกอยู่สาอย่างใช่ไหมทุกคนได้เห็นไหมความรู้สึกสมอย่างความรู้สึกที่หนึ่งคืออะไรสบายสงบผ่อนคลายมีไหมมีนะความรู้สึกที่สองเรามีสึกเคร่งตึงหนักยังมีอยู่ในร่างกายใช่ไหมเวลาละเอียบมีไหมความอบอ้าวเจ็บแสบขนันอึดอัดบางคนสุขภาพไม่ดี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 ตัวนี้เป็นตัวแปรอันหนึ่งทีนี้ก็เลยว่าถ้าในคดนี้เราสามารถเห็นความรู้สึกทั้งสองด้านเนี่ยด้านที่เป็นธรรมชาติและธรรมธรรมสัจจะด้านที่เป็นธรรมชาติคือกฎของใจรักใช่ไหมอันนี้จังุกครังเอาแต่มันมีอยู่ก่อนแล้วด้านที่เป็นธรรมสัจจะทาให้เป็นจริงขึ้นมาในตัวเราเรียกว่าธรรมสัจจะ ถ้าเห็นสัจธรรมสองด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นสัจธรรมสองด้านเนี่ยเราเห็นชัดเจนในในสำนึกในมโนสํานึกของเราตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือการเราได้เข้าถึงกระแสธรรมตลอดเวลาไอ้ส่วนกระแสธรรมนี่มันจะดําเนินไปถึงความสมบูรณ์ความคอมพลีทมันเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามละองค์ของความรู้ความเข้าใจของเราเพียงพอ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 สบายหรือไม่สบายใช่ไหมการทํางานของกฎของอนิจจังตลอดเวลาทีเดียวใช่ไหมนะทีนี้กฎอันนี้มันจะเข้มในคนไหนน่ยขึ้นอยู่กับคนนั้นมีความเข้มแข็งและอ่อนแอแค่ไหนถ้าคนไหนมีร่างกายเข้มแข็งไตลักก็จะไม่เข้มคนเท่าไหร่แต่คนไหนร่างกายที่อ่อนแอมีโรคเยอะไตลักก็จะทํางานได้ตามกําลังเขามัน แต่นี้เราจะไม่เข้าไปสําคัญมติหมายมันว่ามันเป็นเราหรือม่นเป็นเราสบายเราไม่สบายใช้ความอด ท, ทนดูมันเฉยเฉยบ้างอย่าไปแสดงความอ่อนแอออกมากเกินไปในการอดไม่รุนทนไม่ได้นี้ไม่ใช่นะต้องเฝ้าดูแล้วก็ผ่อนคลายปรับไปเรื่อยๆอันนั้นเราเริ่มมีองค์ของความรู้ของคําว่าสติละคือ Aware ตระหนักรู้กับสิ่งที่กําลังเกิด วิธีไหนที่เราจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ทำถ้ารู้สึกมันเบาสบายแล้วก็อย่าไปแช่อย่าไปเส็ก็เฝ้าดูมันเพะฉะนั้นหลักการในเบื้องต้นก็คือที่ลำดับมาคร่าวๆจะพยายามตอกย้าตรงนี้ให้ชัดเสมอนะเราจะไม่ไปหลายประเด็นให้มันเบลอรหรือมั น, ม, นมันสับสนว่าในความรู้สึกสบายเราเรียกมันว่าอะไรนะ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 ความไม่สบายเมื่อกี้นี้เองมันเป็นเป็นเป็นคือความผ่อนคลายสบายใช่มมันก็เปลี่ยนให้เห็นหละนี่เขาเห็นชัดในในแง่ของรูปธรรมแล้วความที่ความหนักหน่วงไม่สบายมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดว่าเราทนไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีการขยับการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นละ่ะเพื่อผ่อนคลายเอาตัวทุกข์ขังเอาจากร่างกาย เราก็ตั้งต้นใหม่พอผ่อนคลายปรับสบายขึ้นมาพักแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายแล้วก็ทนไม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพราะนั้นเบื้อ ง, งหลังของการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือการบาบัดทุกใช่ไหมการบำบัดทุกเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าอาริยาบทตหรืออีริยาบุตรบางครั้งก็ใช้ว่าอาริยาบทรอาริแปลว่าอะไรอาริ อาริแปลว่าอะไรอาริราชศัตรูเคยได้ยินใช่ไหมเพราะนั้นอาริจึงแปลว่าค่าศิษยใครเป็นค่าศิษยของชีวิตทางแห่งค่าศิษย์ อ, อิอริอาริอาริยะบทบทแปลว่าทางยะแปลว่าดำเนินไปทุกเป็นศัตรูของสังขาร มันก็ดำเนินไปสู่เราก็เดินทางหนีจากมันเขาโดยกันเปลี่ยนการเปลี่ยนท่าท่าหนึ่งไปสู่ท่าหนึ่งเรียกว่าเปลี่ยนอริยาบทใช่ไหมอันนี้คือบทบัญญัติคือการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะหนีศัตรูศัตรูคือที่กําลังลุกเราอยู่คืออะไรทุกขงังใช่ไหมทุกขังก็เปลี่ยนมาจากมิตรคือ ส, สุขสบายเพราะนั้นศัตรูกับมิตรเป็นเรื่องเดียวกันไหมคนเดียวกัน แต่ด้วยกฎของนิจกรก็เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูแล้วจากศัตรูเราอยู่ได้ไหมเราก็หนีอาการหนีของเราต้องไปไงต้องเคลื่อนไหวตวลอดเวลาจากท่านี้ท่านั้นไปเรื่อยๆอันนี้คือการหมุนรอบของวงจรของไตรลักษณ์นะแต่เราอยู่กับมันจนชินแล้วไม่เคยตระหนักรู้มันเลยว่าอันนี้มันคืออะไรทําไมต้องเคลื่อนไหวอ่าทำไมต้องหายใจทําไมต้องหิวทําไมต้องกินข้าวมันขยายไปเป็นมากมายเลย นั่นคือวิถีของชีวิตแหละแต่ณวันนี้เราได้วิ่งจะหนีศัตรูของเรามาจนไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ไม่เคยพน้นนะไม่เคยพน้นแต่พอเมื่อใดเรามาศึกษากมฐานมาศึกษาวิปัสสนาเราเริ่มใช้คำว่าเผชิญหน้ากับศัตรูทุกต้องกำหนดรู้ใช่ไหต้องรู้จักกันหน่อยนั้นใช้คำว่าคอนฟลอนใช่ไเผชิญหน้า เพอ่อเชิญหน้ากับมัน encounter หรือ confront โดยการเพืเชิญหน้ากับมันไม่หนีสมมติว่าหนักสมมตินั่งไปมันหนักะจะทำยังไงแต่รู้ตัวการหนักไม่สบายก็รู้มันไปเรื่อยๆรู้ไปจนกระทั่งว่าเราจะ เปลี่ยนแปลงจากเหมือนว่ามันหนักตรงนี้ฉันก็ต้องเปลี่ยนแต่โดยเมื่อก่อนเราหนีด้วยความไม่รู้ใช่ไหมพอรู้สึกไม่สบายตรงนี้ฉันก็ไปทางนี้ไม่สบายนี้ฉันก็ไปทางนี้ไม่สบายแล้ก็ยืนไม่สบายอย่างยืงเขาก็เดินไม่สบายจะกเดินก็นั่งไม่สบายจากนั้นเขาก็นอนรู้เนื้อรู้ตัวไหมที่เราหนีแบบนั้นไม่รู้นะเมื่อไม่รู้แล้วก็เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเคยชิดตัวนั้นให้เป็นความตระหนักรู้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 ไม่สบายสลับป็อยุ่เนี้หมุนลักษณะการหมุนเวียนอย่างนี้มันถูกบัญญัติขึ้นเป็นคําศัพท์ต่างๆนะเป็นสมมุติต่างๆให้เราได้สับสนตอนั้นเวลาเราไปปฏิบัติวิปัสนาคือต้องจับหลักของปรมัติษฐ์ให้ได้ก่อนคือจับหลักสภาวะนะสภาวะ ว, ะว่าที่มันปรากฏมันแสดงในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยที่เอาสมมติตัวตนบุคคลเราเขาออกให้หมดให้เหลือแต่วความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ ตอกย้ำความรู้สึกตรงนี้ให้ขึ้นใจท่านเรียกว่าธีละสัญญาให้จดจาอาการเราได้ให้มัน่นคงนะอาการที่มันปรากฏและตัวสภาวะที่เราจดจำเพราะว่าสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางวนกันอยู่อย่างนี้ที่ร่างกายมันเป็นแล้วก็เราก็จะเรียกว่าวัตะสงสาร ตามภาษาใช่ไหมจะพูดถึงเรื่องวัฏสงสารแต่เราไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงเขาเมันว่ามันเป็นวัฏ <c oughs> มันทํางานนะเป็นอะไรอันนี้จังใช่ไหมมันก็ให้เกิดทุกข์ขังมันก็ครอบงําเข้าไปในทุกสังขารเลยนะไม่ใช่เฉพาะในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นในทุกสังขารเป็นอย่างนี้หมดดัง น, น, นั้นเราค่อยศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะใช้กฎของนิจังให้เกิดประโยชน์ซึ่งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยใช่ไหม กว่าจะใช้ผลิตโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็เออธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองแต่แต่ว่าเราเป็นสาวกของคุูทิชาเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมดานะมันจะต้องมีอะไรที่ไปที่มาของมันในเช้าวันนี้จะมาเน้นอีกที่ตอกย้ำเมื่อวานว่าในความรู้สึกสบาย เป็นตัวตั้งต้นนะความรู้สึกสบายการไปดวงลุ่นมาจากความไม่สบายเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนมาเราไปก็สลับเป็นความสบายสลับปันยูเนี่ยตลอดเวลาที่ความสบายไม่สบายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไปศึกษาไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปวิเคราะห์ไม่ไปตามกาหนดไม่ไปตามเฝ้าดูเนะี่ยตรงนั้นมันก็ไปเปลี่ยนเป็นอาการของสุขผู้ทางจิต โดยไม่รู้ตัวเรียกว่าเราเปลี่ยนโดยสัญชาตญาณและเราก็อยู่กับสัญชาตญาณเหล่านี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่พว ก, กี่ชาติแล้วถ้าเราได้รู้จักสัญชาตญาณแล้เรียนรู้มันตั้งแต่ชาติด้านนั้นนะเราก็จะไม่เกิดมารับทุกข์อีกในชาตินี้นที่เราเกิดมารับทุกข์เพราะเราไม่รู้จักไม่รู้จักมันและเมื่อชาตินี้อีกเราก็ยังไม่รู้จักมันอีกเราก็ต้องเกิดต่อไปอีก เพราะนั้นทธเจ้ได้คอยสุดสัน้นว่าแม่มีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของเรามามันก็ไม่ใช่เป็นโชคอะไรนักหนาอาจจะเป็นวิวาวิเคราะห์กรรมแต่การที่เราได้มาพบคําสอนพุทธเจ้าอันนี้เป็นโชควาสนาอย่างมหาศาลทําให้เรากลับมารู้จักตัวเองนะ ดังนั้นเองเมื่อเราเริ่มต้นที่ว่าสุขมันเปลี่ยนเป็นทุกข์เพราะกฎของอนิจจังและทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องดับสลายแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนคลื่นคลื่นเก่าดับไปคลื่นใหม่ย้อนเข้ามาคลื่นเก่าดับไปย้อนเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ล ว, ลวคลื่นก็ปรากฏในทะเลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีมามันก็ไม่เคยทําไม่เคยหยุดมันก็ทําหน้าที่ของมันอย่างนั้น เอฟต้องเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะไป ป, ปรับระบบระมานบ่อยไม่คงที่มันแสดงความเป็นอนะนิจจังบ่อยกันไปก็ไม่ดีนะม่สะดวกในการใช้อีวัตไนที่เราใช้บ่อยๆไม่สะดวกแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆหัะนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าที่ไปที่มาของสบายไม่สบายเกิดจากกฎของไตรลักแล้วมาก็ย้อนให้เห็นว่ากธของไตรลักมันมาจากอะไร ในจักรวาลเนี่ยกำเนิดของจักรวาลนมนันมีแค่สองกฎใช่ไหมกฎอะไรเกิดขึ้นและกระดับกฎแห่งการเกิดดับใช่ไมพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ในวาระที่สองท่านใช้คําว่าจุตูปาปัฏายานคือรู้กฎของการเกิดคือจุติและการอุบัติมาบอกว่าเข้าเป็นจุตูปาปัฏายานตอนแรกที่ท่านยังไม่รู้ถึงกฎเนี่ยท่านรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นมาอย่างไรพวกเนี้ยฉันมานั่งตัวนี้แยังไง และทั้งหมดทั้งหมดเป็นมานะ่ยฉันเกิดมาแล้วฉัมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรท่านก็ย้อนพิจารณาถึงที่ไปที่มาของมันทั้งหมดเบื้องต้นท่านเข้าใจนะเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาใช่ไหมเคยไดียิคนคํานี้ไหมเนี่ยอางแรกที่สุดคือท่านรู้ว่าเอ้คือหมายความว่าแสวงหามานานแล้วยังไม่รู้ที่ไปที่มาว่าท่านเริ่มกลับมาตระหนักรู้ณปัจจุบันขณะเริ่มต้นแต่ว่าฉันมานั่งตรงนี้ได้อย่างไร เ, เป็นฉันตรงนี้ได้อย่างไร ย้อนคืนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งว่าอ๋อไปเห็นต้นร้องมันคือการเกิดและกระดับและคือเห็นทั้งหมดโลกจักรวาลเลยเขาเรียกว่าโล ก, กวิถูใช่ไหมผู้รู้แช้งจักรวาลรู้รู้แช้งโลกเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของพรนะพุทธเจ้าก็คือมารู้ตัวนี้ยิ่งอยากใจตอกย้ำว่าคุณจับให้รู้ตัวนี้ชัดๆกันๆว่ากฎของการตาลับเป็นกฎของการเกิดใช่ไหมตาสิกาเป็นกฎของการดับ แคบเข้ามาแล้วเราสามารถเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ให้เป็นกฎของไตรสิกขาเรียกว่าธรรมะสัจจะคือเปลี่ยนสภาวะให้เห็นจริงแต่ตราบใดที่เรายังไม่มีองค์ความรู้ที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นกฎอันนี้ในตัวเราเองเรายังเรียกว่ากฎของอะไรธรรมชาติที่มันทำงานอยู่ยางี้ร้อยวันพันปี 5, มันก็ทางานเป็นเรียกว่าธรรมชาติ และธรรมชาตินี้มันก็จะต้องเป็นไปตามนะั้นทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าธรรมนิยามคือดินนะธรรมนิยามรายการธรรมนิยามของใครสักคนหนึ่งนีที่บางคนก็ลังฟังอยู่ของใครนะอันนี้ไปดูนะกฎคาว่าธรรมนิยามแล้วกฎธรรมนิยามท่านบอกว่าสิ่งเนี้ย คือเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยฉันจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่เมื่อฉันเกิดมาฉันได้มาเปิดเผยมาจำแนกแจกแจงมาทำให้เป็นขานายของที่คว่วเปิดของที่ปิดแล้วก็บอกทางแก่ผู้หลงทางที่ไม่รู้อันนี้คืออันนี้นี่คือหน้าที่ของฉันที่พระเจ้าทประกาศในธรรมนิยมนะ วิวารติวิพาชาติอัตานีกะโรติทําให้เป็นไงเหมือนของที่มันโค้มอยู่ตั้งนานละธรรมชาติเี่มันโค้มอยู่ท่านมาอัตานีกะโลติไงายขึ้นนะท่านบอกว่าเมื่อฉันรู้แล้วรู้ชัดเจนอะอะภิสัมพุชติอะภิสมิติเมื่อฉันรู้ชัดแล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยฉันก็เลยทํามาจําแนกแจกแจงคือกฎของไตรลักษณ์อันนี้เองนะเสร็จแล้ว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 ไม่สบายแล้วไม่สบายนี่จะตั้งอยู่นานไหมก็ดูต่อไปไม่นานฉันทนไม่ได้ถ้าหากว่าเราคอยแต่นักรู้จำกัดแค่ความสบายไม่สบายให้อยู่แค่กายอ่ตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มต่นักรู้ว่าไอความรู้สึกสองอย่างเนี่ยมันต้องอยู่แค่นี้นะอย่าล่วงล้าเกินไปมากกว่านี้ถ้ามันมากไปเกินกว่านี้มันออกจากรูปมันก็จะไปสู่อะไร ไปสู่น้ำน้ำทึ่งมันเหมือนแก้วน้ำใสล้วนอะมีอะไรสักอย่างหยดเล ป, ปิ้งลงไปทําให้น้ําเกิดอะไรคันทามินเอตทำให้น้ําเกิดการแปดเปื้อนขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมแล้วมีสีมีสารขึ้นมาตรงนี้เป็นวัตถุที่สองเราเรียกว่าน้ำมารุ่น้ําในแก้วใสๆเราเรียกว่าน้าเฉยๆนะน้ามารุ่ตกมาจากไหนก็เกิดมาจากรูปน้ำที่ ความไม่สบายที่มันเราไม่ได้กำหนดรู้เราไม่ได้จำกัดไวนะ้แค่นั้นมันเกินตกลงไปปิ้งเดียวทำให้น้ำไหลแก้เปื้อขึ้นมาทันทีจิตของเราที่ใสๆเกิดความขุ่นมัวเกิดความไม่ชอบขึ้นมาทันทีมุดห ง, งิดลำคาบเบือ่อใช่มมันเกิดขึ้นมาจากตรงนั้นเนื่องจากว่าสติสัมผั ย, ยะที่ไปตามกำหนดรู้ความสบายไม่สบายที่เกิดขึ้นกับกรูปหือเกิดขึ้นกับกายนี้เราไม่ได้ตามมันูชัดเจน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 คือหยดแห่งความไม่สบายทางกายตกไปในสู่จิตจิตนี้ท่านบอกว่าเดิมแท้สะอาดผ่องใสใช่ไหมที่พุทธเจ้าจัดว่าอะไรประพัสระมิทางจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปคิดิทังว่าจิตที่เดิมแท้เนี่ยสะอาดผ่องใสแต่เมื่อมีอาคันตุกะคือเศษทุกข์ที่อยู่ในรูปที่เราควบคุมไม่ทัน มันเป็นอาคารตุ ก, กัดตัวใหม่ไหลเข้าไปสู่มันมันเลยเป็นทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเหมือนน้ำที่ใสเมื่อกี้เป็นน้ำที่ขุ่นล้วให้เห็นภาพอย่างนี้ให้ชัดนะแล้วตัวตรลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นกฎของอ น, นิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวกฎของตจสิขาได้อย่างไร รู้ว่ากฎตจลักเกิดมาจากกฎเบื้องต้นของจักรวาลคือกฎแห่งการเกิดและดับนะอันนี้คือครอบคลุมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าวัตถุเศษเล็กเศษน้อยที่หมื่นกี่แสนล้านยูนิตก็าตามตัวเราก็เป็นเป็นฝุน่นผงเล็กๆเป็นเศษส่วนของจักรวาลเนี่ยเราก็ต้องหมุนตามกฎอันนั้นเหมือนกันนะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการศึกษาเรียนรู้กฎอันนี้แล้วเนี่ย เราก็จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกคนนี้จนไปพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเรามีบุญวิ ส, สนาเราก็ได้ยินคำสอนของท่านแล้วก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะมาเรียนรู้กฎของใจรักแล้วเราจะรู้เรื่องนี้แล้วเราจะเวียนว่ายจะเกิดต่อไปอีกไหมไม่ต้องการเราก็ต้องเปลี่ยนกฎไตรักให้เป็นกฎไตรสิขาเสียเพราะว่ามันมีทางเดียว พุทะเจ้ามีทางเดียวนั่นคือเราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้โดยใช้หลักของสติปัฏฐานสีท่านใช้คำเอกายานุมัคคว่าว่าทางนี้เป็นทางเดียวนะที่คุณจะต้องออกจากกฎของไตรลักษณ์โดยคนไม่ใช่กฎของไตรสิกขานั่นคือมาตรนักรู้กฎของอนิจจังอนิจจังเป็นเกิดหรือเป็นดับมันมีสามตัวใช่ไหม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 ก็คือการเจริญปัญญาเพื่อไปทําให้การเกิดและการดับสมดุลกันเมื่อเกิดดับสมดุลกันมันก็ไม่เกิดเศษของทุกข์จากการเกิดดับทุกขังก็หายไปแล้วก็ บ, บริหารมื่ออยู่ตรงนี้แหละนะบริหารนี้นั้นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดที่ใช้มากที่สุดคืออะไรสติสัมชัญญาเพราะตัวสติสมัญ ญ, ญ, สสม ญ, ญญาจะมา คุ้มครองมาป้องกันตัวทุกข์ให้จํากัดอยู่ในกายแต่เนื่องจากว่าเราไม่ใช่เป็นพระรหันที่สมบูรณ์แล้วเรายังเป็นผู้ศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมีสติสมิญญสมบูรณ์ขนาดควบคุมความไม่สบายกายให้อยู่ตรงนั้นได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนมันจะต้องมีการลื่นไหลไปสู่จิต น, นั้นต้องใช้ตัวที่สองคือใช้ปัญญาปัญญาจะไปจัดการกันกรองเอาตัวที่ตก แต่ก่อนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยออกมาให้ได้ตรงนี้เที่เรียกพูดเรื่องหลักการกลองบ่ายเย็นใช่ไหมคือการกลองหลายชั้นทีเดียวต้องกลองออกมาให้ได้นั่นคือตัวปัญญาการกลองทุกที่ไม่ให้มันขังอยู่ในกายหรือในรูปเนี่ยแค่ใช้สติสมัมปยัญะก็เพียงพอลนะนะก็เพียงพอละแต่เนื่องจากว่า ความที่สติสัมยะเราไม่สมบูรณ์ที่จะไม่สามารถกันกรองได้ร0 0ยเเซกรองบางอย่างไม่ใช่เป็นอจ ะ, อะกรองความสาดได้ทั้งหมดใช่ไหมมันือว่ากี่เปอร์เซนต์เครื่องกรองที่เขาขายกันแล้วแต่ราคามาหนะ่ใช่ไหมราคาแพงหน่อยก็กรองได้เยอะหน่อยราคาถูกหน่อยก็กรองน้อยน้อยนี่เราจะเห็นว่ามันจะต้องตอกย้ากันดูงน้เห็นภาพไม่ชัดเลยนะ ถาภาพตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยเราก็จะต้องวนเวียนอยู่ไปหาอาจารย์นูน้นอาจารย์นี้อาจารย์นูนอาจารย์นี้คุณก็ว่าอาจารย์นั้นดีคุณก็ไปหาใหม่อาจารย์นั้นแน่คุณก็ไปเวียนอยู่เนี้ยไม่เคยจบแล้วมันจะเมื่ไหร่มันจะจบถ้าคุณไม่เอาตัวเองเป็นอาจารย์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเป็นกัลยาณมิท่านก็ทําให้ไม่ได้หรอกแต่ท่านเป็นกัลยามิตรชี้บอกเท่านั้นแต่หน้าที่เนี่ยคุณต้องไปทําเอาเอง <c oughs> ใช่ไหมที่ท่านกล่าวไว้ในอะไรอาคาตาโลตถาคตาตุมเมหิ กิจจังอาขาตาลตาูตถาคตาปฏิปัปนาปะมุกคันติชายิโนมาราพันธนาความเพียรพยายามที่จะไปทําเรื่องเนี้ยเป็นหน้าที่ของพวกคุณแต่ฉันชี้บอกเท่านั้นนะอาขาตาลตูเราแต่ทักวเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกคนไหนทําได้อย่างที่ฉันแนะนําคุณพ้นจากทุกหมดเลยชายิโนมาราพันนาพ้นจากบ่วงของทุกทั้งหมดดังนั้น เรื่องนี้มันยากเกินไปไหมที่จะทำคิดว่ายากไหมที่เราพูดกันเนี่ยเข้าใจได้ไหมถ้าเข้าใจได้มันก็ต้องทำได้ใช่ัหมแล้วจะทำอย่างไรนี่คือเราต้องมาทำร่วมกัน <c oughs> เราอาศัยสติปัญญาร่วมกันนะด้วยการเข้าไปอินไซต์ใช่ไอินไซต์ด้วยการเข้าไปเฟ้าดูไปศึกษาสิ่งที่เกิดในกายของเราด้วยหลักสมประการ ในหลักของวัตถุเนี่ยมันจะต้องออกมาสองแล้วเป็นสามเสมอเพราะอะไรเพราะวัตถุมันเป็นที่ตั้งของหลักอันนี้แต่วัตถุนี้มันก็เกิดมาก่อนหน้านี่แล้วกฎเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วน ะ, ะคือหมายเขาว่าที่ไหนมีวัตถุไม่ว่าวัตถุนะั้นมันจะละเอียดขนาดไหนเป็นอนุภาคเป็นประมานแค่ไหนมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของใจลักอันนี้ในฐานะที่มันเกิดมาแล้วนะ ทีนี้เราก็จะต้องบริหารจัดการไอ้าตัวเนี่ยอันนี้จงทุกขังหน้าตาอย่างรู้เท่าทันเสมอเราแทบจะไม่มีเวลาไปทำเรื่องอื่นเลยนะถ้าทำเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านเลยบวชที่กลัวทำเรื่องนี้เรื่องเดียวพอ อ, ออกมาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ในกรณีที่เรายังมีวิบากกรรมอยู่เพียงแต่ลดหย่อนผ่อนลงนะทำชาตินี้อันจะไม่จบไปต่อชาติหน้าต่อไปเรื่อย เมื่อวานนี้หลวงพ่อบังเอิญไปเห็นคลิปเด็กคนอนึ่นงอายุสักสไม่เกินสามขวบนะ่ะมันไปเวทีที่อะไรนะ น, น่ะที่เขานี่กันปรากฏว่าถามเรื่องสมองในะระบบร่างกายหะบอมันตอบได้หมดเลยเด็กสามขวบคนนี้ทึ่งกันทั้งในห้องส่งนะเอามาไม่ได้ทึ่งว่าเด็กคนนี้มันชาติแล้วมันเป็นหมอ แล้วมันมันเกิดมันเกิดไม่ได้มันเลยจำชาติมันได้มันกลับมาเกิดวัยเนาะเออมันเกิดมาเกิดวัยเหลือเกินมันจำได้หมดเลยถาอะไรเป๊ะเป๊ะหมดเลยทั้งทที่เขายังไม่ได้ถามมันเห็นแพ็บเดียวเนี่ยว่าคืออะไรบางทีเป็นก้อนสมองทั้งก้อนพันบงนิดนิดหนึ่งว่าตรงนี้คือส่วนไหนของสมองมันตอบเป๊ะเลยเปิดมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันตอบมันตาเห็นเลยก็ไม่ใช่พิเศษเพราะเด็กมันพึ่งตายไปเมื่อเกิดมาชาติที่แล้วเป็นหมอที่มีจีเป็นกุศลเน่ะ แต่จี้หมอส่วนใหญ่มันเกิดช้าเพราะอะไรเพราะทําหน้าที่เป็นธุรกิจมันเลยเป็นบาปตรงนั้นมันก็เลยเวียนว่ายแต่เกิดลืมจําชาติของตัวเองไม่ได้แต่เด็กคนนี้ชาติที่แล้วคงจะนั่งหลับมันอินูข้างหน้านขณะฟังหลวงพ่ออยู่ข้างหน้า น, นี้เธอยังหลับได้เลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเธอนี่นะั่น <c oughs> <c oughs> ต้องมานั่งใกล้ๆหลวงพ่อหลวพอจะได้จี้บ่อยๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นชาติแล้วมันเป็น ตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนอะบางคนก็นั่งขี่เขียนพื้นอยู่เล่นบางคนก็นั่งดูดาวอบางคนนั่งหาบางคนนั่งฝังพระนุนเห็นอาการวิปลิตอย่างนี้ก็ถามพุทธเจ้าเอ๊ะทำไมคนเรานี้ยยุงเป็นอย่างนี้ทั้งที่พระโนริแสดงธรรมพร้อมาคเลยนะแต่ทำไมอาการคนเราดึงวิปริสผิดแปลกอ๋อบอกอี่มันเขียนนยชาติแล้วมันเกิดเป็นไสเดือนเหมือนมันก็กินดินคนมันไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรอ้าวแล้วคนที่มันนั่งเหลา ชาตแล้วมันจะเป็นจระเข้เหมนะอะไรเกิดขึ้นมาหลับทั้งวันเลยเหมอนนะแล้วคนที่นั่งดูเดิ น, นอ้าชาติแล้วมันเกิดเป็นหมอดูอะเพราะมันเป็นโหน่จะต้องดูเดินดูดาวอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจทั้งนั้นเลยเหมน น, นี่พุ้ที่ชาติท่านรู้อดีตของคนทั้งนนะหมดเลยนะเป็นอย่างนี้เองเพราะนั้นมันมีที่ไปที่มานะเพราะฉะนั้นเธอชาติที่แล้วเป็นอะไรจําได้จำไม่ได้หรืมไปเรียบร้อยนะอาจจะเป็นจระเข้หรืขอข้างข่าวก็ไร้นะเพราะฉะนั้นเอง เราต้องพยายามทำกุศลให้เยอะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กลับมาทำลายภพชาติของเราไวๆอ่ะถ้าคนไหนที่เกิดมาจำภพชาติได้เร็วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายไงคนเขาเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอใ น, นสิ่งที่เป็นอกุศลอีกเพราะทำเป็นอกุศลมากมันต้องเวียนว่ายใจเกิดมารับใช้ไม่จบสักทีหนึง่งจึงทำกุศลเยอะๆเพื่อมันจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะที่จะทำมาทำเรื่องนี้ได้นะ และตรงเป็นมนุษย์มีคุณสมบัติ5ประการด้วยที่พูดไปเมื่อก่อนหนึ่งต้องมีแหละศรัทธาทรักที่จะทำใช่มสองมือมีความรักที่จะทำก็ต้องลงมือทำมีความเพียรสามทำด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าทำด้วยอย่างอื่นไม่ใช่นะตอนนั้นเอาไปถึงไหนแลวไอ้หนูลุงงคนเดียวจะทำให้สะดุดเลยหาออกนอกเรื่องไปไกลเลยนะ ไปถึงที่ว่าเมื่อกฎของไตรลักษณ์บริหารได้ถูกต้องมันกลับไปสู่ที่เดิมคือไปเห็นการเกิดและการดับเห็นปฏิสุทธิวัดไฟเกิดและปฏิสุทธิวัดไฟดับแล้วก็เข้าไปจัดการอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าบริหารจัดการได้ถูกต้องหมายถึงว่าเราจะต้องมาเห็นความรู้สึกสามอย่างในกายชัดเจนมาก ว่าตัวไหนมันจะไปเปลี่ยนตัวไหนตัวสบายมันจะเปลยนความไม่สบายเมื่อไหร่ความไม่สบายนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วจะจัดการมันอย่างไรบริหารมาอยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่าจิตของเราที่จะไปฝักใฝ่คิดถึงเรื่องอดีตในาคตไม่มีเวลาตรงนี้ที่ว่าพระอรหันต์ผู้มีสติสัมยัเสมบูรณ์หมายถึงตรงนี้ถ้าไม่ได้ฝกักใฝ่เรื่องอื่นละฝักใฝ่ที่จะเฝ้าดูเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติ มันเกิดมันดับมันเห็นข้อมันเองท่านก็เมื่อมันปรับเข้าที่คงที่เป็นปรมัดเป็นออโตเมติกแล้วเนี่ยท่านก็มีเวลาเหลือที่ไปช่วยคนอื่นในระบบของท่านหมายความเซตอัพเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ในยุปัจจุบันนะใช่ไหมพอเขาเสร็จระบบเรียบร้อยเขาไปทําอะไรก็ได้แล้วถึงเวลามันก็ทำหน้าที่ของมันเองพระอาหารที่ท่านสมบูรณ์แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเองเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้ชนานาญนะให้ชนานาญหมายถึงว่าหนึ่ง เราเขียนว่าความจริงเขาเตรียมไว้บอดว่าขยับให้หลวงพ่อหน่อยดิถ้าเห็นหน่อยขยับมาข้างหน้านข้างหลังจะเห็นหระเบ้ามันด้วยนะอันนี้มันมีไอ้เมจิกหด้วยปะไม่รู้ว่าตกทุกอันนะเป็นอนิจจังอ่าตรงนี้ขอใช้หมึกสีอะไรที่จะเห็นชัด หมึกสีแดงเนาะถ้าหมึกสีแดงเดือร้อก็ถูกกล่าวหาอีกเอาหมึกสีน้ำเงินดีกว่า <laughs> มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยละ ขยับวางตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเผื่อหลวจะลากตรงนี้ต ร, นตรงเพล่ลงไปอ้าวตรงๆนะว่าอยากจะให้เห็นว่าเราสมมุติว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นคำว่าจุตินะคือเกิดอ่าขรท้องการเกิดว่าอะไรเกิดเขียนตัวใหญ่อ่าบวกกับอะไรอ่าบวกกับดับนะ ทีนีในตัวเกิดกับดับเนี่ยถ้ามันสมดุลกันอยู่แค่ทำให้เกิดตัวตัวเกิดนี้มันก็จะมาเป็นตัวความอะไรมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรียกว่าอะไรอานิจังอ่าแล้วตัวดับนี่มันสมดุลกันมันก็จะเป็นอะไรน ะ, ะเป็นอนัตตา หลังเห็นนะถ้ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเปิดดับเกิดดับสมดุลกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดตร ง, ตรงกลางแต่เนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุวัตถุนี่ถือว่าเป็นตัวที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่มันมีอยู่แล้วในจักรวาล น, นี้เมื่อก่อนวนาจักรวาล น, นี้เป็นของมืดใช่ไหมมืดแล้วต่อมามีการแปลบวนเปลี่ยนแปลงตามกฎของอจักรวาลมันก็ก่อให้เกิด สิ่งที่ว่าการอันที่จังแปลปูเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการแปลปูในท่ามกลา ง, างแล้วก็ดับไปแล้วก็วนใหม่เปลี่ยนแปลงแปลปวนแตกดับเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปวนแตกดับอันนี้เป็นกฎของวัตถุนะยังไม่เกิดเป็นนามนธรรมก็จะเกิดตัวแ ป, ปรปวนก็คืออะไรน ะ, ะทุกขัง อันนี้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับท่านใช้คําว่าอุบัติถีติพังคะตามภาษาปรมาจารย์ตามภาษาพิธรรมเขาเนาะทีนี้คําว่าเกิดเนี่ยท่านใช้คําว่าจุติเออไม่ใช่ดิดับดิคำว่าจุติเกิดนี่ใช้คําว่า นะตรงนี้เพราะนั้นสั้นจียชะาว่า จ, จุติเนี่ยมาบอกคำว่าอุบัติมันก็จะเป็นคำใหม่ว่าเป็นจุตูป่ า, ป า, ปาตะยานเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นตัวนี้ก่อนเพราะว่าเห็นสองตัวนี้ชัดมันเกิดเห็น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 ละเอียดทั้งหยาบละเอียดบวกกันมาเป็นอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอากาศอากาศธาตุด้วยผ่านตัวนี้ก็มาเป็นธาตุตัวสุดท้ายคืออะไรนะคือธาตุรู้คือวิญญาณนี่เพราะนั้นในในความแปรเปลวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนี่ยเมื่อสองตัวเนี้ย มาสมดุลกันมาเป็นอากาศมาเป็นวิญญาณตัวรู้ก็ได้เกิดขึ้นนะตัวรู้ได้เกิดขึ้นพราะนั้นตัวรู้ัวนี้ก็จะออกแบกออกมาเป็นตัวรับรู้ทางทั้งหกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกปัญญามา ไอตัววิญ ญ, ญาณก็จะทําหน้าที่รอบข้อมันทั้งหคือในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาปับ๊บท่านก็บอกว่าจิตของเราที่มันวิ่งว่อนอยู่ในอายตะนะทั้งหเนะี่ยมันยัแยกส่วนกันอยู่นะเพราะฉนั้นวิญ ญ, ญาณวิ่งวิ่ตัวนี้มันแปลว่าแยกส่วนไปว่าต่างๆท่านนั้นควรจะทําย่งให้มันเหลือตัวนี้ตัวเดียวท่านก็เลยให้โฟกัสทีละทางหมายถึงว่ารู้